นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่จิตนี้มีปกติเที่ยวไปไกลแต่มีท้ำ มีธรรมคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจะสำรวมจิตของตนให้ดีผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารประศาทสดาทรงตรตัสไปแล้วจิตนี้ไม่มีรูปร่างแต่เวลามันคิด คิดไปไกลแสนไกลก็ลองพิจารณาดูให้รู้คาว่าสํารวมจิตนั่นก็หมายความว่ามีสติทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในมากำหนดรู้กายรู้จิตอยู่ กายนั่งอยู่อย่างไรก็รู้จิตตั้งอยู่อย่างไรก็รู้นี่นะ <c oughs> ความจริงก็มีแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้แหละแต่เมื่อไม่ฝึกขนมันหักไม่รู้ไม่ฉลาดหมายความว่าอย่างนั้น ถ้าฝึกฝนแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาสายเหตุที่มันจะได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในว่าตรงตะสงสาร น, านันนี่ก็เพราะขาดการฝึกนั่นเองเกิดมาชาติได้ก็มาบริโภคแต่กามมาคุณอยู่อย่างนั้น คนผู้บริโภคกรรมคุณลวไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกต้นผู้หมกมุ่นนะถ้าผู้ไม่หมกมุ่นเกินประมาณก็มีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายตั้งแต่ครั้งว่าพระเจ้าเริ่นปฏิบัติ ทำก็ยังได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นนักบวชถ้าตั้งอยู่ในความประมาทมันก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรแหละเป็นอย่างนั้นนอกจากไม่ได้มักได้ผลแล้วก็อินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าประมาท ไม่ตามรักษาจิตตัวเองก็ควรจะพิจารณาให้เห็นว่าเรานั่นมันคือดวงจิตดวงนี้แหละมันท่องเที่ยวทนทุกข์ทรมานมาในสงสารนี่นานแสนานานแล้วนะแต่ละคนละคนเนี่ยไม่ใช่ว่า เพิ่งเกิดมาไม่กี่ชาตินี่หาไม่ได้คือว่าจิดตดวงนี้นะแรกเกิดมานั่นตั้งแต่มันแรกเป็นดวงจิตขึ้นมานะ่ะมันไม่ฉลาดมันต้องเกิดเป็นสัตว์สิ่งที่ไร้ช้านตัวเล็กๆมาเสียก่อน เมื่อน า, นานไปนานไปมันก็เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นมาอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้นก็คิดดูสิเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมีปัญญาอะไรเราก็รู้เห็นกันอยู่จากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้อง เมื่อได้สัมผัสกับโลกอันนี้นานๆเข้าบางบางสัตว์บางตัวมันก็ได้อยู่ใกล้กับคนได้สัมผัสกับคนมันยินดีกับคนตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญา อยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติจนกลัวได้พบนักปราบบัณฑิตได้ฟังคําสั่งสอนของนักปราบบัณฑิตนักปราบท่านแนะนําให้ละความชั่วให้ทําความดีก็ปฏิบัติตามนั่นแหละความเป็นคนมันจึงดีขึ้นมาวันนี้นะ มันจึงมีความหมายมก็เหมือนอย่างที่เราก็พฤ่ปฏิบัติทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆองนี่บุญกุศลบารมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปก็เป็นผู้สงบระ ง, งับ ไม่เพิดเพลินไม่ทะเยอะทะยานเกินขอบเขตอยู่ในป่าก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนธรรมดาผู้ถูกตันหาครอบความจิตใจมากมายนี่อยู่ในปา่าอยู่คนเดียวยิ่งเดือดร้อนยิ่งมีความคิดมากอืม อยู่ไม่ได้พวกพวกตันหาข้อบอำจิตใจมากนี่ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกต้องคุยกันต้องมีการเล่นหมอรสกครบกันต่างๆอย่างชาวโลกเขาเป็นอยู่นั่นเอืมันจึงค่อยพออยู่ได้ใ น, นลักษณะของตันหา มันทำให้เนินชาพราะศ า, าสานาทรงตาัสว่าก็เมื่อไปเพลิดเพลินมัวเมากับการลเล่นต่ังๆนานาสนุกสนานอยู่นั่นมันก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้สำรวมจิตใจให้สงบให้นแน่วแน่วันเวลาที่เป็นเช่นนั้นนะพบได้ชื่อว่าเป็นโมฆะ คือเปล่าจากประโยชน์เลยผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ารู้สึกตัวแล้วจะเป็นครืหัดก็บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาแสวงหาที่สงบสงัดเป็นครั้งเป็นคราวนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่ง การปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆนั้นมาทำเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีค่าขึ้นมาคือฝึกจิตใจให้ดีขึ้นให้สงบให้เข้มแข็งขึ้นอย่างนี้แหละซึงทำบารมีอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นได้ นี่ใครพากันเข้าใจบุญบา ร, รมีนี่มันก็เกิดจากความอดความทนความที่ทำใจให้สงบให้หนักแน่นไม่วันไหวไปตามความชั่วร้ายต่างๆนี้เองแต่คนส่วนมากมันทำไม่ได้เรื่องม น, นะ เอ่ดังนั้นบารมีมันถึงค่อยแก่กล้าไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าบารมีจะแก่กล้าแต่เพียงแค่ให้ทานวัตถุสิ่งของทุอบอย่างเดียวเท่านั้นหามีได้มันแก่กล้าโดยการสำมรวมกายสำมรวมวาจาสำมรวมจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ใจมันตกไปทางอากุศลธรรมทางอากุศลธรรมคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงหากจิตตกไปในกิเลสเหล่านี้แล้วก็ชื่อว่าจิตตกไปในทางอากุศลแต่ว่าลำพังแต่ ความรู้สึกหรือคิดในใจมันก็ยังไม่เกิดบาปเกิดโทษเท่าไรนักต่อเมื่อได้แสดงออกทางกายวาจาทำความชั่วออกไปเส้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตดื่มสุ ร, ราเมลัยกันชายาฝิ่นเฮโรอินเนี่ยแสดง บทบาทไปในทางความชั่วเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนั่นใน บ, บนี้มันจึงเป็นอากุศลเต็มที่เลยแต่ถ้าเพียงนำพังกิเคิดขึ้นนี่แล้วรู้ตัวแล้วว่ามันคิดไปทางอากุศลก็รีบกำหนดละเสีย เช่นนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นบาปให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปขอให้เข้าใจบาปทางใจมีอยู่แต่ว่าเป็นบาปที่ไม่รุนแรงเป็นเพียงว่าทำใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อน แต่ถ้าผู้ใดไม่ละ ง, งับแล้วมันก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นทำบาปได้เป็นเหตุให้สั่งสมบาปขึ้นในตนของตนได้อย่างนี้แหละดังนั้นพระาศาสดาจึงทรงตรัสสอนให้สํารวมจิตนี้ให้สํารวมจิต เสมอไปอย่าให้มันจิตมันตกไปในทางความโลภความโกรธความหลงหมาคำว่าอย่าปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นหรือจะให้มันเพ่งเล็งไปอยากได้รูป เลี้ยงกลิน่นรถเครื่องสัมผัสอันเป็นไปทางบาปอกุศลคือทางผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองการจิตเพ่งเล็งไปอย่างนั้นท่านเรียวกว่าความโลภมันเป็นอกุศลการไปแย่งสิ่งเอาสมบัติของผู้อื่น มาเป็นของตนพอกจากเข้าของเงินทองแล้วเช่นอย่างไอ้ผู้ชายไปรักเมียเข า, างี้นะเห็นว่าเมียเขาสวยกว่าเมียของตัวก็ไปรักก็ไปจีบ ผูห้หญิงก็ไปรักให้กับผัวของคนอื่นโดยที่เห็นเห็นชายคนอื่นนั้นดีกว่าผัวตัวหลางนี้ได้ชื่อว่าเป็นความเพ่งเลงไปในทางบาปอากุศลเป็นความโลภในกรรมคุืม ดังนั้นนะ่ะทุกคนให้พากันเข้าใจแม้ว่าเป็นนักบวชก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ไปได้ไปจีบหรือไปจับต้องก็ตามทางกายเนี่นะ่ะแต่จิตใจเนี่ยมันไปจีบไปจับต้องคือไปเพ่งเล็ง ว่าตรงนั้นสวยตรงนี่างามอะไรต่ออะไรต่เกิดความกำลัดินดีขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นนักบวชนี่ไม่ว่าไม่ว่าแต่เมียเขาแต่ลูกเขาก็เป็นผิดอ่าเป็นโทษทางกิจใจถ้าหากว่าไม่เพียรรังงับแล้ว นานไปมันก็เป็นเหตุให้ซึกขาลาเพศออกไปนะ่ะถ้าเป็นนักปวดก็ดีนะอยู่ไม่ได้ต้องไปสัมผัสกับรูปที่ตนรักให้พอใจนั่นจนได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีความจริงเนี่ยจิตใจนี่มันมีปฏิพัทธ์กับ รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสในโลกนี่มานานแสนนานแล้วไม่รู้กี่ชาติเราระลึกชาติผลหลังไม่ได้เฉยๆ น, นั้นแหละเกิดมาชาตินี้นะมันจึงมักจะคิดวิ่งไปหาตั้งแต่ของเก่านั่นแหละที่มันเคยปลูกพันธ์มาแต่กนนะ่อนผู้ใดช่างสังเกตก็ย่อมรู้ทัวได้ ยอมรู้ว่าตั้งแต่ก่อนแต่ชาติก่อนหนนหลังนู้นตนก็เคยผูกพันมาพแรงแล้วมาชาตินี้มันก็จึงผูกพันเข้าไปอีกพอนิสัยเดิมนั่นมันติดมาเมื่อผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วนั่นก็เบื่อหน่ายแบบนี้ เบื่อความคิดบวกเบื่อความจำความรู้สึกในจิตใจนี่ไม่ใช่ไปเบื่อรูปนู่นนเบื่อความคิดอันแบบไม่ถูกทางความคิดอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษท่านเมื่อมันยับยั้งความคิดเหล่านี้ได้แล้ว มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปเช่นนี้แล้ว บรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้ก็มันมันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับจิตของผู้นั้นมันก็มีเกิดแล้วแปรปวนแจกดับไปอยู่ของนั่นแหละบรรดารูปเป็นต้นเหล่านั้นนะห้ามจิตนี่ได้แล้วฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในควบคุม ได้ด้วยสติสอนจิตตัวเองได้ด้วยปัญญาอยู่เสมอเสมออย่างนี้แล้วนะแม้ว่ามันจะวันไหวไปบ้างก็ไม่รุนแรงก็เป็นธรรมดาเมื่อมันยังละความยึดถือให้เด็ดขาดไปไม่ได้มันก็จะต้องมีอาการอยู่ แต่ว่ามันไม่รุนแรงแต่เมื่อมันไม่รุนแรงนะั้นนะบุคคลประมาทข้าไม่เพ่งไม่สอนใจให้กำหนดละแล้วมันก็จะกลับเจริญงอกงามกันอีกนะกิเลสอันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ ก็ขอให้พากันเข้าใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ปรอมามีอุบายมีปัญญาสอนจิตใจของตนเองเนี่ยอยู่เสมอๆไปเมื่อตนสอนตนได้ก็จึงจะไปสอนผู้อื่นได้ ถ้าสอนตนไม่ได้แล้วมันก็นึกละอายใจแหละในการที่จะไปสอนผู้อื่นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงวางและเบียบไว้ว่าท่องอิงอาศัยอุปทาอาจารย์ไปฝึกตน กับอุปชากับอาจารย์ไปจนถึงห้าปีนั่นพระองค์จะคงจะคำนวณดูแล้วว่าเมื่อได้ฝึกตนไปถึงห้าปีเนี่ยก็นับว่าพอตั้งตัวได้ข้าพูไม่ประมาทนะอั น, นี้พอตั้งตัวได้ พอแนะนำผู้อื่นได้บ้างวันนี้เป็นอย่างนั้นแต่พระที่บวชมาในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากไม่ค่อยปฏิบัติตามพระอินัยไม่ไม่ค่อยปฏิบัติตาม พระวินัยที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติไว้บางคนไม่เรียนไม่สนใจซ้ำคำว่านิสัยยมุตผู้ผู้หลุดพ้นจากนิสัยของอุปชาอาจารย์นะได้แก่บุคคลผู้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินยัย ให้รู้อันส่วนวินัยก็ให้รู้จักอาบัดหนักอาบัดเบาให้รู้จักวิธีออกจากอาบัดเนี่ยส่วนธรรมะนั้นก็ศึกษาเ ร, าเรียนให้รู้ศึกษาเาเรียนให้รู้ว่า ธรรมะคืออะไรพระศาสดาทรงสั่งสอนแสดงธรรมมุ่งอะไรต้องให้รู้ความหมายของธรรมะก่อนธรรมะนั่นแปลว่าสภาพที่ทรงบุคคลไว้ ให้เป็นคนดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุคติอบายภูมิเป็นตน้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นฮิริโอตประธรรมอย่างนี้นะผู้มีความละอายต่อการกระทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากมากก็ดีรับหลังคนก็ดีก็ไม่กล้าทำความชั่วนั่น เป็นนักบวช ก, ก็ไม่กล้าล่วงสิขาบทวิในน้อยใหญ่เป็นครือข่าก็ไม่กล้าล่วงศีลล่วงธรรมอย่างนี้เพราะว่ากลัวบาปกรรมของเจ่าระนั่นจะตามสนองให้เป็นทุกข์หากว่ามีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้ว มันก็ไม่กล้าทำบาปทำความชั่วต่างๆนี่เรียวกว่าเป็นผู้รู้ธรรมะแล้วสร้างธรรมะดังกล่าวนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจเสมอแม้ธรรมะอื่นๆก็ร้วนแต่เป็นกำลังใจให้กำจัดกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปทั้งนั้นแหละ เช่นขันติความอดทนอย่างนี้นะหาก็เมื่อกิเลสมันกาเริบขึ้นในใจเราไม่เรายัางละมันไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีปัญญาที่จะละให้มันเด็ดขาดไปได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเข้าช่วย อ, อดไม่คิดอดไม่วิจาร์ไปในทางแห่งกิเลสปัญหา ดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่ความอดทนนี่เมื่อฝึกอดเข้ามากๆเข้าไปก็กลายเป็นตะธา ร, รมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไปลองพิจารณาดูสิพระธรรมคำสองของพระพุทธเจ้านะ่ะมันดีอย่างไรอ่ะ อย่างหยาบยาบก็อดทนด้วยในเมื่อผู้อื่นกระทบกระทั่งมาย่อให้โกรธอดเอาไม่โกรธอย่างนี้นะเหตุ <illes> นั้ น, นถึงอยู่ร่วมกันได้คนเรานะ่ะเพราะอาศัยที่มีคุณธรรมดังกล่าวมานี้อยู่ในใจทุกคน ถ้ า, าว่าเราอยู่ร่วมกันาขาดความอดกั้นทนทานต่อกันละกันแล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีความสุขก็จะมีการทะเลาะวิวาสกันอยู่อย่างนั้นาะฉะนั้นให้พากันพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้ ให้มากมากให้พิจนาให้เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมเหล่านี้เมือ่อพิจนาเห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมเหล่านี้เราเราจะได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนของตนพระพุทธองค์ทรงสแสดงอริสงแห่งความอดทนได้มากมายะ นันนะ่ะผู้ที่ได้เรียนธรรมเรียนวินัยคงจะรู้จะเห็นนะ่ะขันติเนี่ยแทรกอยู่ในข้อหมวดธรรมหลายหลายหมวดหลายแห่งอันแสดงว่าความอดทนนี่มีความหมายมากทีเดียวเพราะว่าบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะ่ะมันจำเป็นน่ะ เวลากิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมาตอนเผลอๆนะนี่รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ต้องอดทนอดกั้นไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันไปในที่สุดกิเลสนั่นมันก็ระงับลงได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อกิเลส อันเกิดจากความดำริความสริตองในใจอย่างนั้นมันสงบระงับลงไปแล้วใจก็ย่อมสงบลงได้ต่อจากนั้นเกิดจึงใช้ปัญญาวะเนี่ยใช้ปัญญาหยิบจกกิเลสประเภทนั้นมาพิจารณาว่ามันดีอย่างไรการสร้างกิเลส ข, ขึ้นในจิตใจ มันก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรพิจารณาดูมันก็ยอมรู้ยอมเห็นแหละเมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อนะ้วตนเองเบื่อความคิดของตัวเองเพราะกิเลสตัณหาราคะอะไรมันเกิดจากความคิดในจิตนี่ทั้งนั้นเลย มันไม่ใช่มันมาแต่นอกนะแต่ข้างนอกนั่นมันจะเียงแบบเป็นเดือดรอยเฉยถ้าว่าจิตไม่หลงแล้วอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแม้ใครจะประดับประดาร่างกายแอนนี่ สวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิดก็ตามนะแต่ส่วนรูปอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั้นเองเนี่ยนานไปนานไปก็ไอการตกแต่งอันนั้นมันก็เลยหายไปพร้อมกันอย่างคนเฒ่าคนแก่หมงนี่นะนั่นแนหะละเมื่อร่างกายมันสำลุดซุดซอมไปแล้ว ต้องก็ขี้เกียจจะเอาไอ้เครื่องประดับเหล่านั้นมาตกแต่งอะไรวันนี้ยตกแต่งเขาก็หัวเรานะนั่นแหละเรื่องมันนะมันก็เป็นเช่นนี้แหละคนเราแต่มันก็คงมีอยู่บางคนเนะี่ยคนเฒ่าคนแก่อายุมากแล้วก็ยังใส่ตุ้มหูสายสร้อยอะไรต่ออะไรอยู่ก็มีอยู่ นั่นเรียกว่ามันหลงอ่ะมันไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้เสมอเอตันแหลมมันถึงได้สำคัญว่าตนสวยตนงามรักสวยรักงามนั่นแหละถึงหาเครื่องประดับมาตกแต่งถ้าคนละคอมรักสวยรักงามลงได้เสียแล้วมันก็ไม่ตกแต่งอะไรแล้ว เพียงปฏิบัติ ร, ร่างกายอันนี้ให้สะอาดสะอ้านไปพอไม่ไม่ไม่ให้มันส ก, กปรกเกินประมาณก็พอดีแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเคร่งหัดนะก็ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองซ้ำ บุคคลใดเป็นผู้มีเครื่องประดับอันมีค่าอยู่ในตัวมากก็เป็นที่เพ่งเล็งของพวกโจรขโมยเมื่อเขาได้ช่องได้โอกาสเขาก็จี้ก็ปล้นเอาไปเพียงปฏิบัติ ร, ร่างกายอันนี้ให้สะอาดสะอ้านไป พอไ ม, ไม่ไม่ให้มันสุกก็ปกเกินประมาณก็พอดีแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเครึงหัดนะก็ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองซำ้ำบุคคลใดเป็นผู้มีเครื่องประดับอันมีค่าอยู่ในตัวมาก ก็เป็นที่เพ่งเล็งของพวกโจรขโมยเมื่อเขาได้ช่องได้โอกาสเขาก็จี้ขกขปล้นเอาไปตนเสียดายก็ไม่ยอมให้เขาง่ายๆเขาก็ฆ่าเอาบปนล้วนะบางคนตายเพราะเครื่องประดับนี่ก็มีนะก็น่าเสียดายอย่างว่านะชีวิตนี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆอะ คนไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แต่เกิดมาแล้วก็มาหลงมาเมากับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจนถึงกับตัวตายไปโดยไม่ไมสงวรจะตายดังกล่าวแล้วนี่แหละคำสั่งสอนของอุทตเจ้านะมีพร้อมทุกอย่างเลย แมาเขาว่าอาวุธสำหรับที่จะกาจัดกิเลสตัณหานั่นมีพร้อมเลยอยู่ในธรรมะในวินัยนี้ทั้งนั้นแล้วดางนั้นเราทุกคนในพากันสร้างอาวุธคือธรรมะวินัยเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนเสมอไปอย่าได้หยุดจังนะ การศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะต้องศึกษาเรื่อยไปอยวาไปเข้าใจว่าไม่ใช่รดูศึกษาแล้วก็เลยทอดทิ้งตำลับตำราซะเลยมาถึงระดูศึกษาเราเรียนจึงคว้าใส่เอามาดูมาอ่านมาท่องมาจำนั่นเรียก ว, ว่า เรียนโดยจำใจเสฉยอ น, นันต์คล้ายๆกับเรียนภาคบังคับของนักเรียนชั้นประถมอั่นเองเนี่ยอืมไม่ใช่ว่าผู้สนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังปรารถนาอยากจะจดจําเอาคําสอนพระพุทธเจ้าไว้ไปเป็นธรรมสมบัติของตัวเองไปเป็นครูเป็นอาจารย์ ตัวเองไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเนี่ยพูดพูดทีนานๆานถึงจับตำราดูครั้งหนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจว่าพระธรรมคำสองพระพุทธเจ้านี่นะเป็นของหาค่าไม่ได้เลยเพราะว่า ผู้ใดรู้ธรร ม, มเหล่านี้แล้วมันกาจัดกิเลสให้เบาบางออกจากกิจใจแต่ความรู้อย่างอื่นทางความรู้ทางโลกไม่สามารถจะมากาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจได้ก็ลองเทียบเทียงกันดูดังนั้นผู้ที่วิณาเห็น คุณค่าแห่งคำสอนของพระเจ้าดังกล่าวมานี้นะย่อมจะพอใจในการเรียนการจำอยู่เสมอไปคำว่าพระเสขะนั้นแปลว่าพระผู้ต้องศึกษาอยู่อย่างนี้นะผู้ยังไม่จบจากการศึกษาในขอให้เข้าใจ แม้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังต้องศึกษาอยู่งั้นแหละเพราะว่ายังไม่จบกิจคือละกิเลสยังไม่หมดเมื่อละกิเลสยังไม่หมดตราบใดจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้อันพระโสดาบันนัะท่านยอมเห็นโทษของกิเลสแล้ว เห็นโทษของกิเลสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดแก่เจ็บตายให้ด๋ดวแล้วความโศกเศร้าเสียใจพิไล่ลำพันธความคับแค้นใจต่างๆ น, นานาก็เพราะจิตใจมายึดมั่นในกิเลสนี้เองคอรับพระโสดาบันท่านยอมเห็นอย่างนี้นะ เยท่านท่านจึงประกอบกุศลคุณงามความดีไปไม่หยุดไม่หย่อนถ้าเป็นกระหังหัดแล้วก็ยินดีในการบริจาคทานไม่ไม่เบื่อไม่น่ายยินดีในการสำรวมในสินอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไปไม่เจตนาล่วงสิน ข้อใดข้อหนึ่งที่ตนสมทานมาแล้วยินดีในการไหวพระภาวนานั่งสมาธิหรือฟังธรรมนี่พระโสะดาบันไม่เบื่อในการฟังตั้งแต่ครั้งวัุทธเจ้านะพุทธบริษัทไปฟังเทศอยู่บ่อยบ่อย เท่าที่ดูตลอดเวลาแล้วก็มีทุกวันเลยในเมื่อพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่วัดเชตวนารามนั่นเว้นเสียแต่พระองค์เสด็จไปโปรดสัตว์ในที่อื่นก็คงจะมีพระเถระแสดงคำแนะนำสั่งสอนแทนพระองค์ อยู่ในวัดนั่นแหละถ้ามีญาติโยมมามนี่อันพระโสดาบันเดียวว่าท่านรู้คุณค่าแห่งศิลรู้คุณค่าแห่งธรรมะนี่แล้วก็จึงเต็มใจอิ่มใจไม่เบื่อไม่นายในธรรมในวินยัย แม้ว่าเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ขอให้เข้าใจว่ากว่าจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องยินดีในธรรมในวินัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเต็มกําลังทีเดียวแหละเต็มกําลังความสามารถถ้าไม่ยินดีไม่พอใจไม่ลงมือปฏิบัติตามไป ทัานไหนอินทรีย์จะแก่กล้าจะได้บรรลุโสดาบันได้คิดดูให้ดีเป็นอางั้นน่ฉะนั้นจึงสรุปลงแล้วว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญ ง, งอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยการกระทาโดยถูกทาง เท่านั้นถ้าไม่ลงมือกระทำแล้วมันก้าวหน้าไปไม่ได้เลย บ, บาปอกุศลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ลงมือละมันแล้วมันก็ไม่ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจขณะใดเมื่อใด ก็กําหนดละมันขนาดนั้นเมื่อนั้นเลยมันก็ไม่ทันได้แตกกิ่งก้านตาขาออกไปมันเป็นแด่เพียงแตกหน่อขึ้นมาทีแรกเท่านั้นแล้วทำลายมันเสียอย่างนี้นะเมื่อมันแตกหน่อขึ้นมาก็ทำลายมันเสียมันก็เลยเจริญง้อ ง, งามไม่ได้เลยกิ เ, เลสเรานั่นนะ เหมือนอย่างพืชต่างๆในพื้นดินพวกหญ้าพวกอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วเขาก็ทำลายมันงอกขึ้นมาก็ทาลายมันไปอย่างนี้นะมันในที่สุดมันก็ตายไปอนะ่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสในจิตใจนี่มันจะเบาบางไปได้ก็เพราะเรามีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงนี้อยู่เสมอเมื่อรู้ว่าจิตเผลอตัวสร้างกิเลสขึ้นมาขณะใดก็รีบกำหนดใจละ อารมณ์อันั้นเรื่องนั้นเสียอือละทีเดียวยังระงับไม่ได้ก็เพียนละเรื่อยไปกําหนดจิตให้แน่วแน่แล้วก็สอนจิตนี้ให้เบื่อให้หนายต่ออารมณ์เหล่านั้นอ่าเบื่อหน่ายต่อความรักต่อความชังเบื่อหน่ายต่อความหลงความเมาต่างๆนี่นะคัน ถ้าจิตมันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็ละแหละนี่มันจะไปยึดเอาไว้ทำไหมถ้าบุคคลไปเผลอไปจับงูเข้าอย่างนี้นะงูมีพิษนะไปจับหัวมันเข้าอย่างนี้จับพอมันอา้ารู้ว่างูแล้วีิมาก็สะบัดทิ้งไปเลยเถอนะเนาะ ใครจไปจับมันไว้ได้อยู่ตลอดเวลามันจะกัดหัวเอาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันก็มีพิษมีสงเหมือนกับสัตว์ที่มีพิษในโลกนี้นั่นเองไงในเมื่อบุคคลยึดเอารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสมันเป็นที่น่ารักใครพอใจ มาเป็นอารมณ์อยู่ยนี่นะมันก็ทำให้เกิดราคะโกรากำนัดขึ้นมาถ้าไปยึดเอารูปเป็นต้นอันที่ไม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดโทสะคิดประทุษร้ายขึ้นมาในใจแบงนั้น ถ้าบุคคลใดไม่ยอมละอารมณ์เหล่านั้นนะวิตกวิจารณ์ไปอยู่นั้นเดี๋ยวก่อยินดีเดี๋ยวก่อยินร้ายไปอยู่อย่างนั้น เ, ววนเววนนนสมอเสมอไปอันนี้ทันเรียกว่าหลงอันนี้นะอั น, นีน้ความหลงนี่สิมันร้ายแรงอยู่พอได้เหมือนกันเนี่ย ถ้าหาความเมื่อจิตใจเผลอบังเกิดความวิตกวิจาร์ไปในทางกิเลสต่างๆมานะั่นรู้ทัวทันทีนะ่นก็กำหนดใจละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นภูมิไม่หลงเรียกว่าพยายามประคับประคองจิตตรงนี้ ให้เป็นปกติตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่เรื่อยไปคือมองเห็นว่าการละความรักความชังความหลงออกจา ก, กจิตใจเสมอใจเป็นปกติอยู่นี่แหละเรียกว่าใจเป็นกุศลให้เข้าใจ ก็รักษากุศลอันนี้ไว้ยอย่าให้มันเสื่อมหมายเขาว่าอย่างนั้นรักษาปกติของจิตนี่นะอย่าไปเพ่งอย่างอื่นเลยเพราะว่ากิเลสตันหนาะบุญบาปอะไรมันก็เกิดจากดวงจิตนี่ทั้งนั้นนะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมา ดังนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วฝึกจนสอนจ น, นไปก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสตะกองทุกโดยลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมา